ต้องการจะเรียนกนรรมฐายงวดนี้ <c oughs> เรียกว่ามาหาจิตฐานาสูตรอันนี้เป็นจิตานวิจนาจิตตานุปัสสนามาหาจิตฐานยากไหมเลยมยากอะ่ะคำว่าจิตตานุปัสสนามาหาจิตฐานนั่นแปบลบว่ารู้จิตง่ายๆนะรู้อารมณ์เคลื่อนไหวของจิต ถ้าเราเห็นจิตในจิตเห็นจิตแล้วเห็นจิตในจิตใช่ไหมนัม่นคือลู้อารมณ์ของจิตถ้าพูดตามบาลีจะยาวหน่อยพอ <c oughs> พูดแบบลวกรัษไปรู้จักว่าเวลานี้จิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ จิตฟุ้งซ้านหรือจิตหดหูจิตเป็นฌานในืจิตอุปจารสมาธิหรือจิตเมโลมต่ำกว่านั้นถ้ารอตัวนี้ จ, จบแก่ตามแบบก็จบแล้วแต้กรราฐานตอนนี้ลัยญาญาโจมนะเขาเรียกกรรมฐานเก็บเล็กเก็บน้อย เ, เวทนาทิ่เสมออารมณ์ความรู้สึกของใจมัววา น, นิคอารมณ์ของใจเป็นสุขหรือไม่ทุกหรือไม่สุขไม่ทุกสุขหรือทุกหรือไม่สุขไม่ทุกเกี่ยวกับสิ่งของบุคคลว่าถูกหรือเปล่าจะไม่เนื่องถึงกันวันนี้ก็มาอารมณ์ของจิตจิตมาดูจิตตัวเองเพื่อจิตไข้ ค, รครวญจิต ถ้าใครคนว่าจิตของเราเวลานี้มีราคะไหมคําว่าราคะแปลความกำลังยินดีในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสวางเพราคะจิตเกิดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เ, เวลานี้จิตมีราคะไหมเห็นรูปสวยสวยชอบรูปไหมได้ยินเสียงเพราะเพราะชอบเสียงไหม ปิน ม, มีกลินหอมๆชอบกลิ่นไหมอารมณ์ชอบต้องแบ่งเป็นสองประเภทชอบในยาปกติของสวยสดงามไข่ก็ชอบแต่ว่าอารมณ์ราคาชอบมากกว่านั้นผูกพันใช่ไหมต้องการให้ได้ถ้าไม่ได้มีรมจิตเป็นทุกข์ไม่เ็ราคาที่เห็นว่าช น, นโรงเดินไปที่ร้านขายเพชร เห็นอะไรเต๋อปน่นเป็นเทคนโสวยจนะหามีราคาอย่างไม่ได้ใช่ไหมถ้าของเขาดีจริงๆแล้วว่าดีตามนั้นจิตใจผูกพันหรือเปล่าถ้าจิตใจไม่ผูกพันจะถือว่ามีราคาตามมหาจิตฐานสูตรนี้ไม่ได้ใชไหมเราก็มานั่งดูใจให้ดูใจไม่ต้องดูทั้งวันคือดูจิตเวลานี้มีราคาความกำลักจินดีในเพศไหม โทสะจิตที่ปัจจุบันไมีไหมโมหิตหลงคือไม่ไม่ใช่ปัญญามีไหมแล้วเวลานี้จิตเราเป็นฌามสมาบัติหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุปจารสมาธิหรือว่าต่างกว่านั้นหรือว่าเวลานี้จิตเราฟุงา้งซ่านเวลานี้จิตเราเบิกบานว่าตามแบบอนนี้มาว่ากันที่วิธีปฏิบัติ การดูจิตก็ดีดูเวทนาก็ดีพระบรรดาญาโยงพระทบริษัจมองตามความจริงของตําราคําสั่งพระพุทธเจ้าการดูจิตมันมีราคะไหมมีโทสะไหมสองตัวนี้สาคัญโมหะยังไกลในการตัดโดยเฉพาะอย่างนี้ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าพระติถันสุดเป็นหลักสูตรวนานาคามีพระัรษาได้ ก็ย่อมเจนหนักเจวันดายากโยงพระตริเสัตว์แ้าเวลาที่จีกำหนดราคามีราคาหรือไม่ต้องดูตามความบีกินดูตามกำลังความสวยความงามของสวยคนสวยสัตว์ตสวยวัตถุสวยใครก็ชอบชอบไหมแบงสวยเชนรงก็ชอบ ก็แบงกระดาษไม่สวยท่านเลขมากๆจะทงา็ชอบชอบเนี่ยเห็นไหมเรื่องของของดีใครก็ชอบกลิ่นหอมใครก็ชอบโต๊ะอร่อยใครก็ชอบอ้ธาษฐานนะการชอบอาจจะเป็นของปกติธรรมดาของคนนี่สิ่งที่ชอบยิ่งไปกว่านั้นคือราคามีความผูกพันเป็นพิเศษใช่ไหม ถ้าไม่ได้มาไม่ได้กินแบบนั้นไม่ได้มแบบนี้มันกุ้มใจคนไม่ไหวอันนี้ไป็นลมงราคาเรออียนยากมาก่อนนะถ้าถามว่าราคาจะเกิดกับจิตยังไงก็จำขอยืนยันว่าราคะเกิดแน่ใจทุกคนที่นั่งนีเป็นไหมเป็นเลยฝังเที่เกิดราคะ <c oughs> ราคะทุกคนจะต้องมีเพราะเราจะไม่เป็นนาคาวมีแต่เวลาที่ยามว่างจงิตสงบก็สร้างความรู้สึกใหม่เพราะราคะที่เกิดกับใจของเรามันเป็นกระจขยงความสุขป็นความทุกข์ถ้าปัญญาเกิดจริงมันจะรับทราบว่าเป็นปัใจจัยเกิดความทุกข์และคิดว่าความทุกข์อย่างนี้ไม่ควรมีกับเราต่อไปอีก เวลานี้มีระงับไม่ไหวคุมไม่ก่อนใช่ไหมมีบางคนไปคิดฝักคิดตับดีไม่ดีผูกคอตายไปหลายคนไม่ถูกที่มีอยู่ก็มีแล้วแต่เราไม่สร้างให้กามเนมิดไปยิ่งกว่อ น, นั้นเราก็พยายามเห็นโทษของราคะที่เราลำบากในโทาราคะถ้าไม่มีราคะความหนักยินงดีความอยากได้มันก็ไม่เกิดในโลกะ เพราะความขนัดยินดีเกิดขึ้นความใยญ่ได้จึงเกิดตามที่พระเจ้าตรัว่าปิยโตชัยเตโซโกปิยโตชัยเตพยายามแปลว่าอะไรเก่งมากอะไดนะปิยโตชัยเตโซโก ความเศร้าโศกเสียใจกต่เกความรักแกิแปลหลังไมหานหน้าหน้าละ <c oughs> ฉันก็เลยงงเลย <c oughs> ความเศร้าโศกเสียใจแี่เกิดความรักอันตรายต่างๆจะเกิดเพราะความรักความรักตัวนี้เป็นความรักของราคะไม่ใช่พรมาานสีถ้าปรมญฮานสีรักมีกาลังหนักแต่ไม่เกาะแน่น ถึงว่าระาิพับพลาดจจกกันก็จากกันยังไม่สตุบรวงความราคาต้องมีแต่เราก็เลยคุมราคาไม่กำเริบเกินไปเห็นโทษเพราราคามันมีแล้วก็แลยไปไปกำลังใจตัดไม่ออกปัญญาศาสตร์ไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าขึ้นชื่ออารมณ์ที่มีราคาอย่างนี้ให้มันมีชาติเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีเส้นประหาอีกใช่ไหมให้ดีนะถ้าคิดเผลอส่งเด็กปิพิทายันยังอ่อนยินมาเสร็จขาดตัวตายเป็นแถวนั่นใช้ไม่ได้ถ้าต่อไปโทสะจิตมีโทสะไหมโทสะเป็นปัจจัยเกิดความาร้อนเดืร้อนกับจิตอันนี้จิตมีโทสะก็ทราบปจิตตรงนีโทสะข อ, อยังกันสองตัวนีงก่อน ก็เป็นตัวสำคัญในหมดนี้ถ้าจิตมีราคะจะทาวิธีกำจัดย่างไงต่อธรรมสารนับทุกนับทุกดินไม่ใช่กันงกันก็นคือจเจ้าวิปาาัสสนาญาณพอบอกวิปัสสนาญาณสะดุ้งหยงปัดไม่ไหวสัต์นี้มันทำให้ฟังยากทมยาก แต่ความที่มีปรัชนาไปรู้แจ้งเห็นจริงต้องค่อยไปรู้ค่อยๆเส็นแต่รู้ปรัชนายานอย่างเดียวไม่พอต้องใช้สมาถะด้วยอันดับแรกต้องใช้สินด้วยต้องทําจิตให้มีสินบริสรุทธิ์จิตจะมีความเยียวยิง <c oughs> ต่อไปว่าใช้สมาถะภาวนาหันยัไปหาบิดาหามหาทีิถาน ต, ตอนตน้นกายกตานุสติ กายานุปัสนาอันทฐานฐานาัทธสีสองกองนี้เป็นกองสำคัญอนาปานุติด้วยอนาปานุตินี้เป็นกำลังใหญ่ก็ต้องไปหาสองกองนี้กายานุปัสนาให้ดู ก, กายกายเราก็ดีกายของคนอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือว่าขายในเป็มความสกรปสกรกโสโครก มีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองจาระปัสสาวะเป็นต้นผิวภายนอกคือผิวหนังสะอาดกว่าแต่ก็ต้องต้องชําระล้างเสมอแสดงว่าร่างกายของเราร่างกายของเขาเมื่อเต็มด้วยความสดบกโสโครกการที่จิตใจเต็ไมไปด้ความบริสุทธิ์ุปร่งมันอยู่กับร่างกายที่สดบกร่างกายที่สดบก็ทําให้จิตสดบกไปด้วยนั่นคืออารมณ์กุ้มจากกายมีกายมีสภาพไม่สมตัว มีความเกิดขึ้นค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยต่อมากระหิวบ้างกระหายบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างป่วยไข้ไม่สมบายบ้างมีความตัดน้ำไม่สมหวังบ้างตัดพลาจะขอรักของชอบใจบ้างในเมื่อจิตมากระทบอย่างนี้เข้าก็มีกังวลอิจเลยเศร้าหมองเราก็คิดว่าจิตมีสภาพของใสที่จิตเรวไปเพราะร่างกายมันเร็ว ร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเราอีกในชาติต่อไปชาตินี้มีแล้วก็แล้วกันไปนะใจรู้ใช่ไหมไ่จิตที่ไปเกาะร่างกายไปสวยสดงามเป็นของไม่จริงมันจะตัดได้อย่างมากแค่สองสามนาทีตัดได้แค่นี้มันกลับมาเกาะใหม่ก็ช่างมันอย่าลืมว่าทําได้น้อยตอนนสองสงูทำในวันอนิตย์วันหน่อยเจ็วันสองนาทีก็พอ ไปถ้าลมชินมันยะเกาะถ้ามันเกาะติดเมื่ อ, อไรอันไดว่าราคะไม่สามารถจะจับจิตใจได้ต้องค่อยค่อยคิดก็วืบครวนนะอย่าไปเรื่องรับนั่งมองคนเขามองเรามองว่าถุมองสัตว์วัตถุต่างๆที่ได้มาใหม่ลองปล่อยปล่อยทิ้งไว้ไม่ควบคุมสองสาวันก็หม้หฝอง แต่ก็ น, นึกว่าสภาพเพระว่ตัมอฟองอย่างนี้เป็นของธรรมดาร่างกายภายในเราโมบองสกปรกยิ่งกว่านี้แางกายสกปรกแบนี้ไม่ควรจะมีกรรับเราอีกในจิตมันก็เผยเผยไปจิตก็เกาะใหม่ก็ช่งมันต้องทำแบบนี้นะไปเรี่องลับผังออมาด้านโพสะโรสะตัดแบบไหนโรสะมีวิธีตัดสองอย่าง ตัดตัวการไข้ควรได้ผมมีอาหารสี่อย่างหนึ่งตัดก็การใชอารมณ์กรรมฐานเข้าค่มอย่างหนึ่งอารมณ์กรรมฐานน่าใช้แคสิงกค่สิงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวถ้าใช้กค่สิงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌาน ส, สําหรัรถสิงสีแดงหรือว่าสิงสีเขียวก็ตามใจกสิงสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้ เมื่อจิตจับพลา ก, ากสินนี้เกิดขึ้นกสิ น, นจะค่อยๆทำลายโทสะหมดให้หมดกำลังลงมันจะตามธรรมดาก็สมถะภาวนาไม่จะทำลายกิเลสไม่ได้แต่ว่ากสินสี่กองนี้ทำลายได้โดยตรงเคทยทำลายกิเลสที่มีกำลังต่ำลงได้อย่างมากหลังจากนั้นก็ใช้วิปัสสนายายนควบประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอารานหันต์นี่น่าทำนะ ขยยันพระลูกชายในช่างทองท่านมีโทสะเจริญมากภาษารี่บทไปกรรมฐานเกี่ยวกัราคาคือกายแยตาโนภติการสมุปการมฐานทำสี่เดือนไม่มีผลต่อมามหาพุทธเจ้าพุทเจ้าสงาสารวพระองค์นี้ไม่ใช่ราคาเจริเป็นโทสะเจริญเพีงให้กระสิีสีแดงเพ่งเพ่งแก่สีสีแดงประเดี๋ยวเดียวคือจิตเกิดชาญ พอสมาธิเริ่มเกิดจิตกำลังรูสิงกอง น, นี้โทสะเริ่มลดปฏิสมาธิเกิดมากขึ้นโทสะลดมากขึ้นพรอจิตเป็นฌานโทสะขยับตัวไม่ได้ผูกมัดในที่สุดพระเจ้าให้พัฒนา ย, ยาปะเดียวเดียวเป็นอารหันต์รวมความวาการทำลายโทสะมีได้สองอย่างใช้แกสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ง ทำให้เป็นฌานสมาบัติจิตจเริ่มเป็นสมาธิแต่เรียกว่าโทสะเริ่มลดหลังจากนั้นปัญญาเกิดขึ้นใช้กำลังปัญญาตากิเลส ท, ทังกีไม่ใช้ก็หมดถ้าเรากรกาศสินสีอย่างใด อ, อย่างหนึ่งออย่างเดียวนะทำได้ทรงฌานสีจริงๆเมืด้วยเจตดลดจากฌานสีจับพิปัญนาญาณพิปัญนาญาณก็จับ กายชะตาตามสติการสุภกรรมฐานร่างกายไม่ดีร่าง ก, กายไม่มีการทรงตัวร่างกายแก่ทุกวันป่วยเสมออยู่เสมอลำบากเสมอถ้านในที่สุดก็ตายคิดอย่างนี้สักครู่เดียวก็เปนนน็น อ, นอาหารก็กิเลสมันนอนยันเจอแล้วเออต่อมาในการทำลายกิเลสถ้าเราไม่ใช้กําลังกรรมฐานส่วนนี้ก็ต้องใช้กรรมฐานกันสมาธิที่ใช้อารมณ์คิดค่อยๆต่วน นั่นคือพเมียนสีพเิหาน ส, าสีไม่ใช่นั่งหลับตามือภาตาตักเลยเขาใช้กำลังคิดให้ทรงตัวเราจะเป็นบ่เราจะเป็นมิตร ด, ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกเมตตากรุณารือสงสารสัตว์ทั้งโลกสัตว์และบุคคลทั้งโลกถ้าไม่เคยมีใสัยช่วยได้ช่วยมีความสุข โมทุดาถ้าหากว่าเขาได้ดีเราจะไม่อิจฉาที่สยาจะพอยยินดีด้วยและปฏิบัติความดีตามเพื่อดีอย่างเขาองเบขาถ้าอย่างใด่หนึ่งเกินวิสัยเกิดขึ้นเราจะวางเฉยไม่ดินดน้นรนอันนี้เป็นกรรมฐานอารมณ์ทรงไม่ใช่นั่งสมาธิให้จิตมันทรงตัวตื่นตื่นตตื่นขึ้นเช้าปับมีความรู้สึกตามนี้ จนทั้งกว่าจะหลับไปใหม่ความรู้สึกทําไมส่งตัวไม่ใช่ว่าไะนั่งคุมทั้งวันนีทํางานทําการได้เวลาทํางานทําการแล้วก็คุยได้อะไรได้ทุกอย่างไม่ต้องไปนั่งคุมสมาธิแต่ว่าจิตมันจะไม่พลาดเม่ตายความรักก็นายความสงสารมโ ต, ตาไม่อฉันชิยายเขาแล้วก็มีอลมบางเฉยในบางประ ก, การจิตไม่คุมตัวเฉยเฉยแล้วไม่ต้องภาวนาไม่ต้องนึก ถ้าเป็นอย่างนี้ฝึกทุกวันไม่ใช้กําลังโทสะก็ลดลงเมื่อโทสะลดลงก็จับกายชตาหนุติการอารมสุภกรรมถานก็สองตัวเป็นตัวตักสองตัวนี้เป็นตัวตัดเบื้องต้ น, น, ตต น, น, ตนจริงๆก็เป็นสมาเป็นสมาถะไหม่อกันกายชะตาหนุติเป็นสมถะอารมณ์สุภกรรมฐานไม่สมถะแใจคิดอีนิดมันเป็นวิัจนาญาณในตัวเดียวกัน เห็นว่ามันสุขประปอกโสงโครเป็นสมัถะแต่ไม่จรังยั่งยืนไม่มีการทรงตัวนี่เป็นมิปสนาเมื่อการทรงตัวอยู่ก็มีทุกต่อไปก็มีการเป็นแฝงมีการทับท้ายเจ้าของรักขอนรู้ใจมีความตายในสุดเคลื่อนยาร่างกายที่จะมีความทุกอย่างนี้หาความเที่ยงแท้น อ, นอนไม่ได้อย่างนี้เราไม่ต้องการนี่ เราขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของ ม, มนิษย์มนผ่านไปนี่ไปเครื่องป้าวันนี้ก็ย้ำกัสองตัวนี้ก็พอพอไหพอไม่พอไม่พอก็พุดต่อไปจริงยังมีอยู่แ้ะต่อไปที่เขาโมหะความหลงถ้าถามว่าทำไมไม่แนะนำเรื่องโมหะให้มากเพราะว่าโมหะเป็นตัวต้นเหตุราคาจะเกิดก็ดกีด โลภะเจอเกันก็ดีโทสะเจอกันก็ ด, กดีเพราะอาศัยโมหะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นตัวส่งโมหะนี่เขาแปลว่าอารมณ์โง่คนหลงถ้าไม่งโง้มันไม่หลงใช่ไหมแต่ถือไม่รู้อยาวิชาไม่ได้วิชาต้องถือแปลเือรู้ไม่ครบโมหะก็ถือว่าอารมณ์โง่จึงหลงง่าย ตอนนี้หากว่าคนเรารู้จักทำลายราคะมีสติสังญระดีขึ้นมีปัญญาดีขึ้ น, ญญนรู้จักทำลายราคะว่าเห็นว่าราคะเป็นโทษรู้จักการทำลายโทสะเห็นโทสะเป็นโทษอย่างนี้มันไม่ใช่ขุนโมลใช่ไหมอย่างนี้ก็ถ้าถ้ากำลังโมลเรามีกำลังกล้าจริง เราก็ไม่หาตัวปัญญาเข้ามาทําลายราคะกับโทสะก็รวมความว่าในเมื่อเรามีโอกาสทําลายราคะบ้างโทสะบ้างต่างกำลังก็ไม่ต้องหันไปดูโมหะเพราะโมหะไม่อ่อนกําลังลงแล้วถ้าโมหะไม่อ่อนกําลังลงตัวปัญญาไม่เกิดนี่จะรวความว่าวันนี้ได้สามตัวไนงะได้ยังยัไนได ฉันพูดมันจําไม่ได้ในสามตัวนะหนึ่งราคะจิตมีราคะหรือไม่มีโดอท่านแยกกันใช้ก็เลยไม่โผล่แยกประคำญันมาเปล่าจิตมีราคะหรือไม่มีราคะก็รูอ้อยู่จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็รู้อยู่จิตมีโมหะความหลงหรือไม่มีโมหะความหลงก็รูอยู่จิตมีเป็นหมอละคตแหน มาแล้วมาคดจะไม่ตรงเนี่ยใช่ไหก็จิตฉันชานะเราเราคดจำมันชานนะจิตเป็นชานหรือไม่เป็นชานก็รู้อยู่จิตเข้าถึงอุปจาระแล้วไม่เข้าถึงอุปจาระก็ดัมมาอุปจาระสมาธิก็รู้อยู่จิตนี้เราต่ากว่านั้นก็รู้อยู่จิตูุ้่งไส้ก็รู้ใช่ไหมจิตัตโทก็รู้จิตเบิก บ, บ, บานก็รู้ ทำาราถว่าแบบนี้นะเป็นเรื่องของจิตการจริงจิตก็ดีเวทนาอีดีเป็นกรรมฐานด้า ก, กรอบให้เต็มขึ้นมาตอนที่ว่าเป็นของสําคัญแต่ว่าทิ้งตัวต้นไม่ได้นะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ขึ้นต้นต้นวงเรืองนาปานุสติ ก, ก่อนเมื่ออานาปานุสติลมหายใจก็ออกส่งตัวดีภาวนาด้วยก็ได้นะ เป็นกำลังทรงตัวพอสมคนไม่ต้องเครียดเพรจิตสบายเห็นก็จับกายานุปัสนามหาติฏฐานาสูตรเห็นว่ า, าร่างกายเป็นไปหมดกับโรคโศกครอบเป็นต้นในความเสื่อมเกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมเนื่องการสลายตัวในที่สุดแในร่างกายประกอบด้วยทาสี่ไม่ไม่ทรงไม่จิังจั่งยืนแบบนี้เห็นว่ า, าร่างกายไม่ดีแล้วไปดูอากายของจิต แกายเขเวทนาที่ผ่านมาว่เวลานี้เรามีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาจะสุขเวทนาก็ดีจะทุกขเวทนาก็ดีมันก็เนื่องจากกายทั้งหมดถ้าเราไม่มีกายทุกขเวทนาแบบนี้ไม่มีอย่างนั่งมันเกิดเมื่อยขายใช่ไหมเมื่อยขายเป็นทุกขใครเมื่อยไหมไม่เมื่อยฉันเมื่อย เมื่อขาก็เป็นทุกเป็นทุกเพราะอะไรเพราะมันมีร่างกายขาคือร่างกายพอเกิดความหิวก็ขึ้นเป็นทุกทุกเทราะอะไไมเป็นทุกทุกเพราะร่างกายนี่ดูอารมณ์ของเราอารมณ์เป็นสุขก็เป็นทุกษ์ใช่ไหมเรียว่าไม่สุขไม่ทุกษ์ไม่สุขไม่ทุกษ์ไม่ขอพูดเพราะนานๆจะมีครงความว่าความสุขเกี่ยวกัมิตรวัตถุและบุคคลแตไม่เกี่ยวกับวัตถุและบุคคลมันก็อาใัยร่างกายอย่างเดียว ต่อมาว่าเรงจิตจิตมีราคะไหมมีความกระหนัำจิริงไห้ราคะมาฟังไว้ออกมีความกระหนัำจิริงอยากได้วัตถุอย่างนั้นได้วัตถุอย่างนี้ได้ด่าได้คนอยากได้สัตว์นี้อยากได้มาเป็นสมบัติของตนโดยที่ต้องดิ้นรนทนไม่ไหวอย่างนี้เป็นราคะถ้าอยากได้แต่เราไม่ตายเฉยๆได้ก็ได้แต่ก็แล้วไปถ้าอยู่กับเราแล้วก็เลี้ยงดูทั้งคนและสัตว์ ถ้าวัตถุและก็รักษาม่เป็นกฎธรรมดาเป็นผู้บริหารสีค่คนละเรื่องไงเรื่องความจิตเมีรมดิน้นรนแบบนั้นเป็นราคาราคาตัดแบกไหนตัดแดกสุภรมทานด้กายและตาอนุสติเรื่องความที่มันมีทุกปีสุขแบบนี้มีความต้องการแบบนี้มีราคามีโัษสารเป็นี้เพราะใส่กายตัวเดียวไอ้ที่ต้องถูกลงโทษก็คือกาย ถ้าเรตัดกายได้ที่อย่างเดียวก็เป็นอรหันได้ตัดแยกได้อย่างเบาๆเป็นมโนสุตตาคามีตัดได้อย่างกลางเป็นพระน า, าคามีตัดที่นี่สุดเป็นพระอาหารหันตัดตัวเดียวตอนนี้มื่คืนนายลืมพูดถึงอารมณ์มโนสุตตาบัญตัดไปจงต่อว่านพอแกพูดอย่างนั้นคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียผลหมดเลยเท่าแล้วไม่ดุฉันนายลงมาดูฉันได้ ไอ้คนคุมทีมอยู่ไม่ถูกใช่ไหมผู้นํากา ร, กรแสดงผู้คุมกา ร, กรแสดงคุมอย่างเดียวพูดไม่พูดยาวแต่เลยบอกว่าพระาธิษถานสูตรเป็นวิปัสสนาเป็นวิชาการของอนาคามีพระอาหารหันต์ถ้าพูดอันยาวเท่าไรก็ตามคนฟังก็หนักใจเท่านั้นต้องหันมาอารมณ์ต้นคืออารมณ์ประสงดาบันยศิขาธาตุ อย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนต้องทำให้ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ให้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าให้ได้เดือนหน้าไม่ได้เดือนน้อกให้ได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ได้เพรามันยังไม่ได้ใช่ไมตั้งใจให้มันได้มันต้องได้เพราะอะไรมันก็ว่ามันควรจะได้ พ่อพที่นั่งมีคุณใหญ่มากไม่ใช่ยอนะี่ยไม่ยอเอกฝรัร่งในรั้งยังไม่มีใครประตัง่งคือกำลังเราสูงอารามณ์สดาวบั้นไม่มีอะไรมากพยายามรักษาให้ชิงใช้เวลาหน่อยๆน่อ ย, อยหาใหญ่คือหนึ่งส ก, กายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราร่างกายคนอื่นและสัตว์ต้องตายแค่นี้นะ จิติจาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าประธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความ จ, จริงใจศีลประตระ p a r a m a t t พระโสดาบาันท่านสตะขับตรงก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์พระโสดาบาันขัานโกลังโกละกับเอกวิชีทรงกรรมบทสิบบริสุทธิ์ เหนไหมไม่เหมือนกันนะแมมีสามชั้นหลังจากนั้นก็มีจิตวิาณนิพพันก็แค่นี้เอะโสดาบันไม่มีอะไรนะข อ, อย้ำอีกนิดหนึน่งเอากลับไปใช้เป็นการบ้านเอาให้กว่าวันหนึ่งขอให้เป็นโสดาบันสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ไหมวันหนึ่งขอให้เป็นโสดาบันหนึ่งชั่วโมงได้ไหมต้องเอาป้ายติดไปนะ ใครจะทำอะเกี่ยวกับอาวุธปัศดาบันวะค <c oughs> ือว่าเราจะเป็นแล้วไม่เป็นก็ช่ายึดถืออารมณ์ของท่านใช่ไหมทุกคนนะที่ยังยึดถือไม่ได้ที่ก็ได้หลายตัวมีเยอะอารมณ์เขาถึงจะเป็นโสศดาบันแล้วไม่ฉันไม่ทราบนะข้ามีเยอะเหมือนกันหรือว่าอารมณ์ของปัศดาบันหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตาย เรามีความมั่นใจร่างกายมันตายแน่จะตายเมื่ก็ตามยอมรับมันในการในสองกอดตายก็ยอมรับหนส่งพระมติพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจในการใีสามที่เป็นพระโสดาบันขั้นสัตตะคตุงยากยังยากอยู่อิเจกชาติจิเบระหันถ้ามีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าเป็นพระโสดาบันขั้นโกลังโกรักกับเอกมิชฉีก็มีกรรมหมดบริสุทธิ์ ก้ามีจิตฝังนิพพานที่ไปอะไรอีใช่ไหมเพียงเท่านี้พยายามซ้อมๆตามที่หลวงพ่อพระบาทตรัสว่าเราซ้อมปนิพานกันถ่าใช้สระประทานคั้นนิพพานนิพพานเล็กน้อยเยียนเดียวนะมคำนิพพานแปลว่าดับดับอะไรไม่ใช่ดับลมหายใจดับราคะความรักในเพศ ดับโลภความโลภในทรัพย์ินดับโทสะความโกรธดับปูหาความหลงจิตทรงารมณ์ตรงเฉพาะอย่างยิ่งคือมิพานเอาครั้งละสองนาทีห้านาทีก็พอใช่ไหมในช่วงที่เราทรงตัวได้ไม่ต้องบังคับมันทำไปถ้าจิตมันเพื่องมาอะไรก็เลยแต่มันนั้นขณะที่จิตทรงอย่ตามนั้นเทเรตต์ทางคณิพาน นิพพานเดียวเดียวใช่ไหมคำนิพพานที่แปลวดดับคืออารมณ์ดับจากความชั่วเดียวเดียวถ้าจะไปนิพพานได้ต้องดับความชั่วสามอย่างหมือสี่อย่างเอาสี่อธิบายเข้าใจง่ายหนึ่งรายค่าความรักสองโลภะความโลภสามโทสะความโกรธสี่โมหะความหลงวิธีสํานดับยังไงนิ้วลมหม่ใจขอ และก็รู้คัมภีร์บรร า, าแต่ว่าบรรดาญาโยมที่ได้มนโนยิทธิพอป้องตัวบ้างตามทั้งคนนะใช้วิธีไม่ยากพวบรุมกำลังใจจับมนโนยิทธิเปิดเลยไปสว่างก็ได้ไปพรทมโลกก็ได้เป็นนิพพานก็ได้ตามใจในตอนก่อนจะไปคิดบาตรดินแดนใดที่ก็มีความสุขนิพันแล้วต้องการดินแดนนั้นนลก็หนาที่ไปอย่างนั้ น, งงนกิเลสเขาระควกายรู้กายรู้รใจไม่ได้ เวลนั้นที่วาอารมณ์ใจว่างจะเกิดอย่างยิ่ซ้อมอย่างนี้ทุกวันแม้แต่วันนั่งสอนาทีก็คอยใจเพียงการเท่านี้ก่อนจะตายท่านจะไปนิพพานทันทีเวลานี้ก็หมดเวลาระยะหลวงพุทธบริษัทสามนินา ท, ทีพอดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสิ่งสม า, ถถ า, มาทานไม่จำเป็นมันพูดไปได้ส่วนใหญ่ใช้โทรศพทดโทกันงน่ายแต่อันนี้นสูงมาก เวลาให้ใจเข้านึกตามมาพุทธแล้วใจออกนึกตามไม่โกงถ้าญาติโยมที่มาใหม่แต่ว่าชํานาญมันจะตื่นก่อนให้ใช้พิจารณาแล ะ, ะภาวนาตามเดิมนี่เคยได้มาไล้จะเปี่เพราะว่ากรรมฐานหรือสมาธิก็มีผลเสมอกันตอนนี้ไปคงได้ญาติโยมท่านบาิสัทธ น, นาตั้งใจเรื่องปฏิบัติได้แค่เวลาวัีสนาที